ใช่ว่ากิเลสเบาบางก็แปลว่าท่านไม่ค่อยป่วยทางความคิดเท่าไหร่เนี่ยนะ น, นะความเจ็บป่วยทางความคิดไม่ค่อยมีอาจจะมีบ้างก็เล็กน้อยเนี่ยนะก็คือไม่ค่อยป่วยทางใจะนะราคะเป็นเหตุให้ป่วยราคะอาจจะมีบ้างแต่ก็ค่อนข้างเบาบางถ้าเทียบกับคนที่มีราคะชุ่มเนี่ยนะโทสะก็มีแต่ว่าเบาบางโมหะก็มีแต่ก็เบาบางเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านไม่เศร้าหมองแบบคุณมองหมนมอง คุณมัวอยู่ตลอดเวลาไม่แต่จะมีบ้างก็เบาบางอาจจะอักเสบทางความคิดแต่นิดหน่อยเพรางั้นไม่รุนแรงนะนะไม่รุนแรงแล้วก็เรื้อรังที่เสียหายเป็นคนที่มีความกระวนกระวายน้อยมีความเร่าร้อนน้อยก็คือไม่ใช่เป็นคนที่เร่าร้อนร้อนรนกระวนกระวายอุดอิดเครียดงึดหงิดลำคาญเป็นตน้นไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นมันก็ถือว่าชีวิตที่มีความสุขพอสมควรเลยแหละ เป็นคนที่ว่า ง, ง่ายเพราะมีกิเลสเบาบาง น, นะคนที่มีกิเลสเบาบางเนี่ยนะจะเป็นคนที่สอนง่ายคำว่าสอนง่ายในที่นี้หมายถึงว่ากลยานมิตรบัณฑิตทั้งหลาย น, นะมีครูบาอาจารย์เป็นต้นผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายว่ากล่าวแนะนำตักเตือนก็แนะนำได้ง่ายไม่เหมือนคนที่โกรธเนี่ยคนที่โกรธเนี่ยพ อ, อคำแนะนำขอแนะนำคนโกรธก็แนะนำยาก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 สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้โดยไม่ยากอะไรเรียกว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายโดยปกติแล้วเป็นคนที่มีความเคารพนะมีความเคารพเช่นว่ารักษาความเคารพเคารพว่าผู้ที่ควรเคารพทั้งหลายมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นเนี่ยนะแล้วท่านก็ดํารงมั่นอยู่ด้วยความเคารพและหนักแน่นอดทนนะนะเปคนที่มีความอดทนเคือเรียกว่าไม่ไม่เอะอะโวยวายเป็นคนที่สงบสงี่ยม เป็นคนที่สงบส ง, งยมอ่อนโยนและก็ฉลาดในปฏิสันฐานเนี่ยนะฉลาดในการต้อนรับขับสู้ฉลาดในการปฏิสันฐานทั้งธรรมะปฏิสันฐานแล้วก็อมิต ร, รปฏิสันฐานคือฉลาดในการต้อนรับชัวอเชิญด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยที่พักที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัย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 เพราะฉะนั้นพึงทราบคุณวิเศษเหล่านั้นมีความเป็นทักษินยาบุคคลคือก็คุณธรรมที่เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาควรของต้อนรับควรเชื่อเชิญเพราะท่านเป็นผู้เสมอด้วยบิดาของสรัรพสัต ท, ทั้งหลายเพราะถะ้าจะไหว้ก็ไหว้พระโพธิสัตว์ถ้าจะเค า, าพรพารบนบนอบเป็นต้นพระโพธิสัตว์นั้นเป็นคนที่ควรเคารพเพราะท่านก็เหมือนกับพ่อแม่ของสัรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหล อันนี้เป็นผลเป็นอ น, นิสงส์ที่พระมหาบุรุษได้ในภพ น, น, นั้นตามสมควรอันนี้หมายาว่าเมื่อท่านเกิดในภพใดาชาติใดาปางใดยอยู่ณนะที่ใดแห่งหนตำบลใดท่านก็จะได้รับอ น, นิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมเช่นนี้เนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญา อกิเลสน้อยเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนที่มีความเคารพสงบเสงีวยอ่อนโยนฉลาดในปฏิสนานและก็ไม่มีอุปกิเลสความเศร้าหมองครอบงำย่ำยีในใจเพราะท่านไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่ตีเสมอไม่ริษยาตนีไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่กระด้างไม่ถือตัวไม่มัวเมาและก็ไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความงมงายและประมาทไม่ใช่เป็นอย่างนั้น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 ชีวิตเนี่ยสมมติว่ามีชีวิตอยู่ได้อายุยืนห้าสิบปีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยปีเป็นต้นเนี่ยถามว่าไอชีวิตห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบร้อยปีเนี่ยเอาชีวิตเนี่ยทำอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตที่อายุยืนของท่านเนี่ยนะก็เพื่อที่จะสมาทานกุศลชีวิตอายุยืนยาวเท่าใดก็แปลว่าท่านทำกุศลได้มากเท่านั้น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 แต่ว่าคนที่มีอายุยืนยาวนั้นน่ะสามารถที่จะสั่งสมประสบการเนี่ยนะสั่งสมประสบการในการให้ทานสั่งสมประสบการในการรักษาศีลสั่งสมประสบการในการเจริญเนฆามะเจริญสมถะวิปัสสนาเพราะฉะนั้นท่านมีเวลาทดลองมากทดลองในการเจริญโดยแง่มุมต่างๆแล้วก็การเจริญเนี่ยมีการพัฒนามีการภาวนามีการ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 นี่ต่อไปท่านชื่อว่าเป็นผู้มีรูปสปัมปทาก็คือเป็นคนที่มีรูปงามเนี่ยนะนะรูปงามก็หมายว่าหน้าดูนะไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่อยากเห็นหน้าเลยเนี่ยนะทางๆหน่อยเถอะเนี่ยนะหลบๆกันได้ก็ดีเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ลักษณะนั้นก็เป็นคนที่มีรูปงาม น, าน่าดูก็คือน่าดูก็แปลว่ า, วาอยากดูบ่อยๆอยากเห็นบ่อยๆเมื่อดูแล้วก็เลื่อมใสเนี่ยนะคือดูแล้วใจก็ไม่ขุนมัวบางคนนี้ยิ่งดูยิ่งเครียดเป็นต้นไม่แต่ท่านในหะ้ดูแล้วสบายใจ คิกว่าแค่เห็นหน้าท่านก็สบายใจแล้วว่งั้นเพราะเป็นผู้นํามาซึ่งความเลื่อมใสเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจเพราะฉะนั้นท่านเป็นคนที่น่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายใครที่ยึดถือรูปเป็นประมาณเนี่ยนะเขาเรียกว่าให้ความสําคัญให้คุณค่ากับเรื่องรูปทั้งหลายท่านนี้เป็นผู้มีรูปที่ที่น่ายกย่องมากนะถ้าใครจะอ้างเรื่องรูปรูปประพันธ์สันฐานท่านเนี่ยมีรูปงามน่าดูหน้าเลื่อมใส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 ก็ว่าคนรวยนี่ก็มีอิสระเนี่ยนะคนรวยก็มีอิสระคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตมีศักย์ใหญ่มียศสูงก็เป็นคนที่มีอิสระคนที่มีบริวารมากก็มีอิสระพรผนอิสริยะสัมปทาก็คือท่านเป็นอิสระเพราะมีสมบัติมากมีศักย์ใหญ่มีบริวารเยอะเนี่ยนะกว่าเป็นคนมีบริวารมีทรัพย์สมบัติมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมันเมื่อเมื่อมีอำนาจขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านเอาไปทาอะไร ท่านก็สามารถส่งเคราะห์ผู้ที่ควรสงเคราะห์สามารถที่จะสงเคราะห์บุคคลอื่นสามารถที่จะสงเคราะห์สัตว์อื่นด้วยสังคหาวัตุทั้งหลายท่านสามารถสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยด้วยทานเนี่ยนะสงเคราะห์ด้วยวัตถุทานทั้งหลายสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยด้วยอะไรด้วยปวิยวาจาเนี่ยนะกล่าววาจาเป็นที่ตั้งแห่งความรักแล้วก็มีอะไรอีก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 อันหนึ่งก็คือมหานุภาวตาเป็นผู้ที่มีอานุภาพมากมหาก็คือมากเยอะมีอานุภาพใหญ่คนอื่นครอบงำไม่ได้แต่ตนเองครอบงำคนอื่นได้โดยแท้แต่ครอบงำคนอื่นนี้ครอบงำโดยธ ร, รมโดยสม่ำเสมอครอบงำด้วยสุจริตเนี่ยนะครอบงำด้วยสุจริตท่านมีอำนาจในสุจริตรรนะไม่ใช่มีอำนาจโดยอาธรรมแต่มีอำนาจโดยธรรม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 น, นะเป็นคนที่มีบุญบารมีว่างั้นเมื่อเป็นคนที่มีบุญบารมีนั้นจึงเป็นผู้ที่ทรงอํานาจมันสัมปทาทั้ง6ประการไม่ว่าจะเป็นอายุสัมปทารูปสัมปทากุศลสัมปทาอิสริยาสัมปทาอาทยาวจนะตามมหานุภาวตาอนุภาพหรือบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหมดของท่านนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะ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 เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีเพื่อสร้างบารมีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปและสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งการยั่งลงและความเจริญงอกงามแห่งสัตว์ทั้งหลายในยามสามเนี่ยนะเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเจริญด้วยยามสามคือไรสุตตะมายะญาญจินตามมยญาญแล้วก็ภาวนามายญาญเพราะฉะนั้นท่านมีสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อสร้างคุณงามความดีเพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อให้กรุณาเนี่ยเจริญแก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไป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 ก็เพื่อจะได้สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์มูศภาษะทั้งหลายให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์อา น, นิสงส์ของการสร้างบารมีว่าการสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับอา น, นิสงส์อย่างไรแปลว่ากาไรที่เกิดจากการสร้างบารมีอา น, นิสงส์เนี่ยแปลว่ากาไรเพราะฉะนั้นเอ๊ะให้ทานมากๆแล้วมีกาไรอย่างไร